หายใจจะ ก, ก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรกคาจะ ล, ลอยพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทารานอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแหวกไหวเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนือ จะเป็นบัวงามเดินตามพระมหาบัวจะเป็นบัวน้อยตามรอยพระมหาบัวขอปฏบิบัติบูชาวันท้าพระมหา